วิทยาลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม0 2 5ย์สองห้าสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิทธิ์โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผ่นไทยหัตถบำบัด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 สวัสดีค่ะคุณผู้ังที่กรอพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพันธร ร, ธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราพบกันในเช้ามืดของวันเสาร์ที่21กันยายน2562ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอากาศเช้านี้สดชื่นดีไหมคะน้ำท่าคงจะไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ยังทราบว่า ปูงบินฝนหลวงนะคะก็ยังคงต้องขึ้นบินในหลายๆพื้นที่เพราะบางที่ไม่มีน้ำเลยนะคะแต่ด้วยความที่ฤดูนี้อาจจะมีเมฆนิดนึงการทำฝนหลวงพระราชทานจึงทำได้สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็มีน้ำตกลงมาให้ผู้คนได้ใช้กันนะคะได้ใช้ในการเกษตรใช้ในการบริโภคในครัวเรือนนะคะ เรื่องของดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะแต่ว่าเราคงแก้ไขอะไรโดยตรงยากสักนิดหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าไม่มีน้ำใช้ก็คงจะต้องประหยัดแล้วก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาเหมือนที่เราได้ฟังข่าวกันไปอยากให้ทุกๆคนช่วยกันนะคะบ้านดิฉันเองเนี่ย เคยเจอปัญหาไม่มีน้ำใช้แต่ว่าไม่ใช่น้ำแรงนะคะเมื่อตอนดิฉันเป็นเด็กๆหลายสิบปีผ่านมาแล้วเนี่ยน้ำในแม่น้ำแม่กลองอะค่ะเน่าเหม็นบูดเป็นกลิ่นน้ำตาลเหม็นบูดสีแดงเข้มแล้วก็มีฟองลอยปุดปๆๆปปุดเต็มแม่น้ำแม่กลอง ไหลเข้าคลองเล็กคลองน้อยไปจนกระทั่งถึงร่องสวนน้ำใช้ไม่ได้เลยร้อยเปอร์เซนกุ้งหอยปูปลาพากันเธอหัวท้อเอเอธอไม่เอกเธอเธอหัวก็คือมันไม่มีอากาศหายใจในน้ำมันก็ต้องลอยหัวขึ้นมาหายใจที่เหนือผิวน้ำผู้คน รวมทั้งตัวดิฉันสมัยเป็นเด็กด้วยก็ลงไปช้อนกุ้งช้อนปลาเหล่านั้นกินจนไม่รู้จะกินยังไงมันไม่ได้เน่าเสียมันไม่ได้เป็นอันตรายแต่ว่าน้ำมันเน่าเพราะว่าโรงงานทำน้ำตาลที่จังหวัดกาญจนบุรีในยุคนั้นย้ำในยุคนั้นเขาปล่อยน้าเสียลงแม่น้าแม่กลองสองรอบสามรอบที่พวกเราตั้งแต่เมืองการราชบุรีสมุทรสงคราม ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยภาพความหลังตอนเป็นเด็กเนี่ยมันจำติดตาเลยนะคะคุณผู้ฟังกุ้งกั้มกรามที่คุณผู้ฟังเรียกว่ากุ้งแม่น้ำกิโลละหลายหลบาทเราไปช้อนเอามือจับมันขึ้นมามื อ, ปอเปล่าเปล่านี่ยได้เป็นเข่งเป็นหลัวที่เขาใส่ผักอะคะ่ะปลากระห้ตัวใหญ่ยาวเป็นวาวานะคะเป็นวาเลยนะคะใหญ่กว่าตัวคนอีก หนีซอกซอนเข้าไปอยู่ในร่องสวนตัวเบเร์เธอมันหนีเข้าไปจนตัวมันเนี่ยไปติดอยู่กับท้องร่องสวนเพราะขนาดร่องสวนมันไม่ได้ใหญ่มากปลาตัวใหญ่มันก็ต้องถูกจับขึ้นมาชีวิตตอนนั้นเนี่ยน้ําเป็นอาทิตย์ใช้ไม่ได้เลยนะคะเมื่ออําเภอเอาเรือใส่น้ํามาแบ่งพวกเราเดงก็จําภาพเหล่านั้นได้ค่ะ ถ้าบ้านใครพอจะมีน้ําที่อยู่ในตุ่มในโอ่งก็ยังเก็บกันไว้เพราะไม่รู้ว่าน้ําจะเน่าอีกอกี่วันก็รอส่วนแบ่งจากน้ําที่ได้จากเรือของอําเภอซึ่งวันหนึ่งก็ได้มาไม่กี่เที่ยวเพราะน้ําเน่าทั้งหมดก็ต้องโดนน้าประปาจากโอไม่อยากจะพูดว่าที่ใดภาพตอนเป็นเด็กเหล่านั้ น, เ, นเรารู้สึกตื่นเต้น ไม่ได้ดีใจนะคะแต่ความเสียใจเนี่ยมันน้อยกว่าภาพที่ทั น, นึกวันนี้ดังนั้นเมื่อเกิดความแห้งแล้งแล้วเดือดร้อนเรื่องน้ํามันคงไม่แตกต่างอะไรกับภาพตอนที่ผู้เรามีน้ําเน่าอยู่รอบตัวแล้วต้องรอน้ําที่ผู้คนเอาไปให้เรานั่นแหละค่ะสิ่งที่วนไปวนมาเราก็ทุวดธรรมชาติไม่ได้อันนี้น้ํำมือมนุษย์ ที่เห็นแก่ตัวนะคะ คุณผู้ฟังที่เคารพค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในภาวะอย่างไรเราก็รักกันนะคะเราเป็นคนไทยเราก็รักกันแบบคนไทยนี่แหละค่ะดังนั้นไม่ว่าจะหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะคะแล้วเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะคืนนี้ที่ฉันผนอดทำเนียมอินก็ยังคงมารายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่ตีสี่กว่าไปจนถึงตีห้าทางนี้ 89.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันนี้คุณบิ๊กควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันนะคะดังนั้นขอเชิญฟังเพลงแรกจากคุณบิ๊กเลยค่ะคนจนยากที่ไม่มีเงินเป็นอำนาจ จะไปสามาบังคับสะกดดิตใจคนสวยของพี่จึงคิดจะมีรักใหม่ไปนั่ง้ายมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เม็ดพินเจแปจักรยานของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาทถึงช้าอาแต่ก็เม็ดพินไทยแรงตของใช้ขาปัด รถที่มันถึงจะแล่นไม่เหมือนรถเครื่องต่างแดนทิ่งเร่งทิ่งแล่นรถใช้น้ำมันลองลองดูเธิดนะฝนใจจกกักรยานกับมอเตอร์ไซ์อย่างหนปลอดภัยกว่ากัน รถดีช้ากว่าแต่ชาบปลอดภัยถึงบ้านมอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกันโรงพยาบาลมาแล้วมากมามานั่งรถที่คนดีสบายเสียวกว่าถึงจะไม่งามสงา่าแต่ก็พาเจ้าปลอดภัยกลับใจเสียก่อนพ่อแม่น้อง รองอไจักรยานและมอเตอร์ไซค์เจ้าจงวิจัยเลือกใครดีเออลองตรองดูทถิดนา้าหัวใจจักรยานกับมอเตอร์ไซค์ อย่าไหนปลอดภัยกว่านั้นรถที่ช้ากว่าแต่ช้าปลอดภัยถึงบ้านมอเตอร์ไซค์วิ่งไวขึ้นกันโรงพยาบาลมาแล้วมากมายมานั่งรถที่คนดีสบายเดียวกว่าถึงจะไม่งามสง่าแต่ก็พาเจ้าปลอดภัยกลับไกเสียก่อนพ่อแม่น้องจะร้องไห้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 ขณะ น, นี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันผนดทำเนียมอินดำเนินรายการนะคะสัปดาห์ที่แล้วเกลื่อนกับคุณผู้ฟังไว้ว่าเทศกาลกินเจปีนี้กำลังจะมาถึงนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะอาทิตย์หน้ายี่สิบแปดเย็นวันเสาร์เขาก็จะกินเจกันแล้วแล้วก็กินไปจนกระทั่งถึงเย็นวันจันทร์ที่เจ็ดตุลาคมนู่นเลยนะคะ กินผักเก้าวันเก้าคืนดิฉันเคยเห็นญาติญาติที่เขากินเจเขาบอกมีล้างท้องด้วยต้องล้างท้องถ้วยโถโอจานทั้งหมดบางบ้านเนี่ยเขาซื้อไว้เป็นชุดเลยนะคะชุดนี้สำหรับกินเจโดยเฉพาะพอเสร็จเทศกาลกินเจเขาเก็บเลยค่ะเก็บเข้าตู้เก็บเข้าหลังไม่เอาออกมาใช้พ อ, อปีนึงผ่านไปถึงเทศกาลกินเจเขายกออกมาใหม่เขาเคร่งขนาดนั้นเลยนะคะแต่ ดิฉันเห็นญาติๆเขาบอกว่าเขาใช้ของเดิมแหละแต่เขาจะมีใบนุน่นใบนี่ใบนั่นเป็นเครื่องล้างแล้วก็ยังมีการล้างทองด้วยนะคะเดนก็เลยค้นข้อมูลนะคะที่จะมาคุยกับคุณฟังท่านใดที่รู้อยู่แล้วทราบดีปฏิบัติดีอยู่แล้วก็ขอความการุณาอย่าบอกคุณเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนเพราะว่าดิฉันเชื่อว่ายังมีน้องๆหนูๆเด็กๆและแฟนๆรายการที่ไม่ได้ กินเจด้วยแล้วก็ยังไม่ทราบรายละเอียดของการกินเจด้วยดังนั้นเรื่องราวของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตดีงามเช่นนี้ขอนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการชีวิตวัฒนธรรมชาวมืดวันนี้นะคะท่านใดที่จะเตรียมตัวก็จะได้มีเด่นเป็นเพื่อนแล้วก็บอกว่าอ้าวอทินาแล้วเหรอนะคะก็ข้อมูลนี้ได้มาจากไลฟ์ ตายไทยรัฐนะคะขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลดีๆ ด, ด้วยนะคะซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลไว้พร้อมเลยค่ะว่ากินเจได้อะไรเทศกาลกินเจคืออะไรนะคะเทศกาลกินเจหรือประเพณีถือศีลกินผักก็เป็นประเพณีของชาวพุทธ นิกายมหายานแบบลทัทธิเตา๋าถือปฏิบัติรวม9วันค่ะกำหนดเอาวันตามจันทรคติคือเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน9ตามปฏิทินของจีนทุกปีนะคะมีจุดเริ่มต้นจากชาวเปรานกันในอดีต เมื่อหลายร้อยปีก่อนนะคะปัจจุบันที่สการกินเจจัดขึ้นในประเทศเอเชียตะ ว, วันออกเฉียงใต้หลายประเทศค่ะทั้งสิงคโปร์มาเลเซียไทยอินโดนีเซียบางส่วนนะคะเจแปลว่าไม่กินเนื้อสัตว์คำว่าเจจอเอเจเนี่ยนะคะไม่ใช่สระเอจอเจนะคะ สะกดภาษาไทยต้องบอกว่าจอเอเจพยัญชนะต้นมาก่อนแล้วตามด้วยสระนะคะถึงแม้ว่ารูปสระจะอยู่ข้างหน้าก็ตามต้องยึดพยัญชนะต้นแต่เวลาคุณพิมพ์เราจะจิ้มสระก่อนอันนั้นเป็นเรื่องของการพิมพ์ไม่ใช่การสะกดนะคะคำว่าเจในภาษาจีนมีความหมายทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานว่าอุโบสถ คำว่ากินเจตามความหมายที่แท้จริงคือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวันค่ะการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธฝ่ายมหายานคือการไม่กินเนื้อสัตว์จึงนิยมเรียกการไม่กินเนื้อสัตว์ไปรวมกับคำว่ากินเจซึ่งเป็นการถือศีลไปด้วยนะคะ แล้วทำไมเขาต้องกินเจกันด้วยนะคะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ า, าทําบุญจ้าทําบุญทําบุญทําบุญด้วยการไม่กินเนื้อสัตว์การกินเจเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาพุทธนิกายมหายานนะคะหรือถ้าจะพูดสั้นๆก็คือลัทธิเต๋านั่นเองซึ่งผู้คนที่นับถือนิกายนี้ก็จะมีความเชื่อกันว่าการไม่บริโภคเนื้อสัตว์ถือเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งโดยมีคํากล่าวว่า การกินเจงดเว้นเนื้อสัตว์ของขาวคือการปฏิบัติธรรมรักษาศีลของความเป็นมนุษย์เป็นการเจริญมหาเมตตากรุณาธรรมโดยแท้ค่ะอันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วก็ก่อให้เกิดสันติสุขแก่ทุกชีวิตบนโลกใบนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะเหตุที่คนสมัยใหม่หันมากินเจกันมากขึ้นเพราะเชื่อกันว่าหากเรางดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะเป็นการล้างพิษออกจากร่างกายช่วยให้ระบบทางเดินอาหารกลับมาทํางานได้ดีขึ้นเพราะย่อยง่ายแถมอาหารเจก็มีประโยชน์เพราะส่วนใหญ่รับประทานแค่ผักนะคะแต่ยุคเนี้หลายคนบอกฉันยิ่งกินเจฉันยิ่งอ้วนเพราะมันมีของทอดอร่อยอร่อยเราใจฉันเยอะหรือเกินจริงค่ะแต่เลือกให้ดีก็ไม่อ้วนนะคะคนไทยกินเจกันตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่ย ก็จะมีข้อมูลระบุไว้นะคะว่าคนไทยนั้นรู้จักการกินเจมายาวนานแล้วค่ะแล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะเกิดขึ้นสักราวๆพุทธศักราช2170ซึ่งตรงกับสมัยอาณาจักรอยุธยานะคะสัญลักษณ์ของธงเจเราจะเห็นว่าพอเริ่มเทศกาลกินเจจะมีธงเหลืองๆ ป, ป, ป, ป, ป, ปักๆเต็มไปหมดเลยนะคะแปลว่าถ้าใครกินเจก็แวะเข้ามาได้จ้า เมื่อเทศกาลกินเจมาถึงที่ไรนะคะเราก็มักจะเห็นร้านขายอาหารเจรเขาปักธงเหลืองๆ เ, เต็มไปหมดเหมือนที่ดิฉันพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อเป็นเครื่องหมายให้คนกินเจรทราบว่าร้านเหล่านี้ปรุงอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์นะคะ ซึ่งธงเหลืองที่คุณเห็นปักอยู่ก็มีความหมายด้วยนะคะสาเหตุที่ธงเจเป็นสีเหลืองหมายถึงสีของพระพุทธศาสนาหรือผู้ทรงศีลค่ะโดยที่บนธงเนี่ยเขาจะเขียนตัวอักษรสีแดงว่าเจแปลว่าของไม่มีข่าวนั่นเองนะคะที่นี้กินเจเขากินกันยังไงแล้วจะกินยังไงถึงจะถูกต้องเออ ดิฉันเองไม่ได้กินเจกับเขาด้วยแต่ดิฉันก็จะบอกว่าขอถือกินเจสะดวกตามพวกเขาไปด้วยมือไหนสะดวกดิฉันก็กินเจด้วยมือไหนไม่สะดวกดิฉันก็กินปกติแต่กินเจของดิฉันไม่ได้แปลว่าจะตีขุมหมายความว่าขอทำบุญด้วยเป็นมื้อมือตามสะดวกเพราะว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนเนี่ย มันทำอะไรไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดจริงไหมคะเพราะนเพื่อนๆที่ทำแบบดิฉันเนี่ยก็จะมีหลายคนแล้วเราก็บอกว่าอืมเราตั้งใจทำได้แค่ไหนเราทำบุญด้วยแค่นั้นก็แล้วกันเนาะวิธีกินเจที่เขากินกันอย่างถูกต้องก็คือจริงๆเนี่ยเขาสามารถทำได้ทุกวันโดยไม่จำเป็นจะต้องทาในช่วงเทศกาลกินเจเก้าวัดเก้าคืนก็ได้นะคะซึ่งผู้ที่กินอาหารครบทั้งสามื้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ ก็ยังคงเรียกว่ากินเจอยู่เหมือนเดิมคนกินเจที่จะได้บุญถึงพร้อมนั้นไม่ใช่แค่งดบริโภคเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะคะแต่คนที่กินเจยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามจะพูดสั้นๆง่ายๆก็คือถือศีลนั่นเองคือมีความบริสุทธิ์ สะอาดงดงามทั้งกายวาจาใจเป็นการถือศีลบําเพ็ญธรรมไปด้วยพร้อมกันนะคะทำได้แบบนี้จึงจะเรียกว่ากินเจที่แท้จริงดังนั้นจึงมีคำครองจองที่เราได้ยินกันอยู่เสมอคือถือศีลกินเจนั่นเองที่แทนบอกว่าบางคนเนี่ยเขาแต่ นุ่งขาวห่มขาวตลอดการกินเจพูดเพราะสุภาพไม่โกรธไม่อารมณ์เสียไม่มีอาเริมเสียอารมณ์เสี ย, มสยไม่มีนะคะก็สิ่งที่เขาเคร่งกับ น, นักหนาก็คืออาหารเจค่ะแต่หลายคนก็เจอเอ๊ะแล้วมังสวิรัตให้เจไหมเออที่ทํางานดิฉันเขาจะมีร้านอาหารมังสวิรัติหนึ่งเจ้ามีก๋วยเตี๋ยวเจ อ, อีกหนึ่งเจ้าก็ขาย อยู่ข้างๆอาหารทั่วๆไปนะคะเออมีคนเข้าใจผิดกันเหมือนกันก็เลยจะมาอธิบายให้เข้าใจถูกกันในช่วงนี้นะคะอาหารเจต่างกับอาหารมังสวิรัตยังไงเอ่ยบางคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าอาหารเจกับอาหารมังสวิรัตคืออย่างเดียวกันจริงๆแล้วมันมีข้อแตกต่างกันอยู่ค่ะคืออาหารเจเนี่ยเป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตว์ แต่ต้องละเว้นผักที่มีกลิ่นฉุนต่างๆด้วยนะคะเช่นกระเทียมก็ไม่ได้หัวหอมก็ไม่ได้ต้นหอมก็ไม่ได้กระเทียมโทนจีนก็ไม่ได้กุยช่ายก็ไม่ได้ผักชีก็ไม่ได้แล้วบางคนเขาเคร่งไปถึงใบยาสูบนะคะและน้ําผึ้งก็ห้ามกินด้วยนะจ๊ะเพราะมันมาจากสัตว์ค่ะ ส่วนอาหารมังสวิรัตนั้นเป็นอาหารที่ละเว้นเนื้อสัตว์เช่นกันแต่สามารถกินผักได้ทุกชนิดแล้วก็ยังกินนมกินไข่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็ไม่เรียกว่าเกินเจนะคะแต่เรียกว่ากินมังสวิรัตบางคนเรียกสั้นๆกินมังค่ะ ต่อไปมีคำถามว่าถ้ากินเจจะขาดสารอาหารไหมไม่ไม่ไม่เดนได้ยินชัดเจนเลยนะคะไม่ไม่ไ ม, ไม่คุณหมอก็จะออกมาบอกเสมอว่าการกินเจไม่ขาดสารอาหารหลอกเพราะอาหารเจเป็นอาหารที่เน้นผักผลไม้เป็นหลักงดเนื้อสัตว์ซึ่งก็จะทำให้อิ่มแป๊บเดียวหิวบ่อยจึงต้องกินพืชผักในปริมาณที่มากกว่าปกติเพื่อให้อิ่มท้องแต่ต้องกินสิ่งที่ ให้โปรตีนแทนเนื้อสัตว์นะคะนั่นก็คือถัว่วค่ะถั่วแล้วก็งาค่ะ ง, งาทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่เราขาดไปดังนั้นการกินเจจึงไม่ทําให้ขาดศสารอาหารนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบกินงาทั้งงาขาวงาดำค่ะหอมหอ ม, หอมนะคะหรือถัว่วสารพัดจะถัวะ่วเลยคุณจะชอบถั่วอะไรดีคะถั่วแดงถั่วดําถั่วลิสงถัว่วเอ่อถั่วเลืง้งเนาะแล้วก็มี สาราพัดถั่วรุ่นใหม่ๆอร่อยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกินถั่วเข้าไปก็ได้โปรโตีนแทนเนื้อสัตว์แล้วค่ะนอกจากนี้มีคนพูดว่ากินเจลดความอ้วนอ้อ้อันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้กินเจด้วยแหละค่ะว่าจะอ้วนหรือจะผอมรู้หรือไม่การกินเจช่วยลดน้ำหนักได้แต่ทั้งนี้ควรเลือกอาหารเจรที่ไม่มัน เน้นผักเน้นถัว่วเน้นผลไม้ไม่เน้นแป้งแนะนำว่าให้กินคาร์โบไฮเดรตคือแป้งพอดีพอดีแล้วก็เลือกรับประทานพวกข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตหรือข้าวหุงผสมธั ญ, ญพืชถั่วงาจะดีที่สุดเลยค่ะหลีกเลี่ยงข้าวขัดขาวและอาหารเจที่ปรุงโดยใช้น้ำมันเยอะๆ นอกจากนี้ควรกินมื้อระหว่างวันด้วยเช่นนมถั่วเหลืองเพื่อให้ร่างกายไม่หิวโหวยจนเกินไปแล้วก็ทำให้ไม่วูบบางคนปล่อยให้หิวจนหน้ามืดวูบไปเลยก็อันตรายนะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการกินเจที่รวบรวมมาฝากกันนะคะ9วันที่จะถึงนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้บุญมีสุขภาพ แข็งแรงค่ะขอบคุณเรื่องราวดีๆจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะแล้วช่วงนี้ขอเชิญพาคฝั่งเพลงจากคุณบิ๊กซักเพลงเดียวกลับมากุย ก, กันต่อค่ะ หากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเข้าฟ้าประกาศให้คนรู้ว่าบาทนี้นาไม่ใช่อกหักเพื่อมีสาวใดคนไหนโอนใจม่อรักอ่านป้ายแล้วคงประจักษ์ว่าคนอกหักเกลียดนักคนลวง โดยถูกคนรักหักอกเป็นแผลเจ็บแตบหัวใจแทบเย่ที่เจ็บแผลจนน้ำตาร่วงอ่านกันเสียสิป้ายนี้ห้ามคนหลอกลวงบ้านนี้จะได้ไม่ห่วงว่าคนลวงเข้ามารังแก บ้านนี้มีชายใกล้วายชีวาประคองหัวใจโดนผาหยดน้ำตาเทนยาใส่เพลดังเสือลำบากโดนขวางปากทคกติดเจใครๆเขาก็ไม่เลโนอนเลียเพลงซะอื โดวงใจไม่ใช่ห้ามลวงถ้าหอบรกักมาเพื่อลวงแม่ผมพวงไปลวงที่อื่นเ <future> จ้าของบ้านชายคล้ายๆจะยังไม่ฟื้นให้เขาพ้นความขมขื่นท่อมารื่นค่อยมาลวงมาย ไม่ใช่ห้ามหวงถ้าหอบรักมาเพื่อลวงแม่ผมทวงไปลวงที่เออเจ้าของบ้านใจคล้ายจะยังไม่ฟื้นให้เขาพ้นความขมขื่นต่อมาริ่นค่อยมาลวงมาย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 พร้อมให้บริการทุกวันอาคารเวลา12บสนกาถึงสิบสนกาที่ชั้นสาสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธา น, นีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่0ูนย์สองห้าพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 รักเขาหลวงดวงใจพี่เป็นแผลพี่เจ็บปวดช้ำหัวใจเจียนเยแผลใจแผลใจมันกำเรออิบเสิรบเสบซ่านรอพี่รอน้องพยาบาลรอพี่รอน้องพยาบาลที่ต้องการห I run. จำใจจนหัวอกกลัดนองราวยากจนไร่คนจะมองราวยากจนไร่คนจะมองครองแต่ความเงียบงาวคนอย่างเราเศร้าจนคนลือคนอย่างเราเศร้าจนคนลืม ิเขาถือโปรดเถิดนาสงสารคนซื่อน้องคือน้องคือคือยอดดวงชีวาจงเมตตาเห็นใจคนจนจงเมตตาเห็นใจคนจนพี่สู้ทนเฝ้า ทเคารพคะขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมที่ฉันผนธรรมเนียบเป็นดำเนินรายการนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทาง f อ 89.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีวันนี้คุณพีกควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันนะคะคุณผู้ฟังที่เคารพคะช่วงนี้เราจะเห็นเพื่อนๆของเรานะคะหลัง่งไหลน้าใจไปช่วยกันบรรจุ อาหารแห้งแล้วก็ของที่จะส่งไปช่วยผู้ที่ประสบภัยต่างๆอยู่เนืองๆนะคะสิ่งที่เพื่อนๆไปทำเราก็ช่วยเพื่อนๆได้นะคะอาจจะไปไม่ได้แต่เราจะเจอแหล่งที่เขารวบรวมการรับบริจาคทําบุญเราก็สามารถทากับเขาได้แต่คุณลังก็ต้องระมัดระวังพวกที่แฝงมาเป็นมิจฉาชีพนะคะ บางทีเนี่ยเราตั้งใจทำบุญนะคะตั้งใจที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่พอเราไปเจอสิ่งที่ฟังแล้วมันไม่สบายอกไม่สบายใจมันก็ทำให้การทำความดีของเราชะ ง, งักไปได้เหมือนกันดังนั้นก็พิจารณาไตรตรองกันสักนิดหนึ่งก็จะดีนะคะแต่ถ้าเรากังวลไปสมดุดไม่ทาอะไรสังคมก็คงจะฝืดเคืองด้วยรอยยิ้มและกระแสบุญแน่เลยละคะ่ะ ในช่วงเทศกาลกินเจนะคะเดี๋ยวพออีกไม่นานก็จะเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษากันแล้วนะคะเราคงจะได้มีงานบุญที่เตรียมเดินทางไปทอดกรถินผ้าปา่าเตรียมที่จะกลับบ้านเตรียมที่จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันคุณหวังก็โปรดเตรียมตัวให้พร้อมนะคะโดยเฉพาะการเดินทางเรื่องของพาชนะเป็นเรื่องสําคัญ แต่ช่วงนี้ก็ถือว่าความปลอดภัยอาจจะมีมากขึ้นระดับหนึ่งจากการที่มีการควบคุมความเร็วของรถแล้วก็มีการควบคุมอายุการใช้งานของรถโดยเฉพาะรถตู้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเป็นรถตู้โดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีรถตู้ที่หมดอายุการใช้งานไปเมื่อเดือนสิงหาคมเยอะเลยนะคะ ส่งผลให้ผู้ใช้รถตู้นี่เดือดตอนวูบไปเลยแต่เจ้าของวินเขาก็แก้ไขปัญหาด้วยการซื้อรถใหม่มาเสริมนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยกับสมรรถนะของรถใหม่ๆมากขึ้นแต่เรื่องของความมีน้ำใจบนถนนหนทางเนี่ยคะ่ะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่เหนือการควบคุมจริงๆนะคะบางวันเนี่ยดิฉันก็เล่ากันขำๆว่าอพอขึ้นรถตู้ปุ๊บฉันก็หลับปับ๊บ เพื่อนถามทำไมง่วงเหรอไม่เปล่าไม่อยากนั่งสวีสวัตแต่บางครั้งเนี่ยก็มีคนกล่าวว่าการที่ได้พักมันก็มีประโยชน์เหมือนกันพักสักนิดสักหน่อยก็ช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นแต่ก็จะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งบอกว่าขึ้นรถสาธารณะหรือรถตู้ก็ไม่ควรจะหลับเพราะเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะได้เตรียมตัวแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ทันเหตุการณ์ ข้อมูลต่างๆล้วนเป็นข้อมูลที่หวังดีนะคะเราก็พิจารณานำปรับปรับใช้แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเพิ่งเจอมาเมื่อวันเสาร์ศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นของอนุญาตพูดออกอากาศแล้วกันนะคะดิฉันกลัวพอสมควรเลยค่ะก็นั่งรถตู้ไปสมุทรสงครามนั่งรถตู้จากหมอชิดนี่แหละค่ะนั่งรถตู้ไปสมุทรสงครามเขาก็ไปแวะเติมกา๊าซ ใกล้ๆจะถึงแม่กลองที่ปั๊มเขาก็เขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าดับเครื่องยนต์งดใช้โทรศัพท์ ม, มือถือและอื่นๆที่จะก่อให้เกิดประกายไฟแล้วก็ขอให้ผู้โดยสารลงจากรถให้หมดปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ให้พวกเราลงปิดประตูไว้อย่างนั้น ดิฉันจะเปิดประตูลงไปดีไม่น่าโอ้ถ้าเกิดเราลงไปแล้วเขาไม่ได้บอกให้พว่เราลงไปแล้วไปรออีกจุดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่รู้ว่าเราลงไปเขานึกว่าเราลงไปเลยเออเอาไงดีเขาก็ไม่อยู่กอ็อดทนนั่งอยู่บนรถแล้วก็เฝ้าระวังตัวเองค่ะว่าคงไม่มีอะไรแต่เพื่อนร่วมทางของดิฉันซึ่งไม่รู้จักกันเป็นชายหนุ่มนั่งอยู่ข้างๆดิฉันเล่นโทรศัพท์ไม่เลิก เด่นก็เลยต้องหันไปส ก, กิดเขาน้องคะขอโทษนะคะช่วยหยุดเล่นโทรศัพท์ก่อนได้ไหมคะพี่กลัวเขาก็หยุดเล่นโทรศัพท์แต่มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่งตรงประตูะคะ่ะตรงประตูแล้วประตูเนี่ยมีคนเปิดแง้มไปห้องน้ําแล้วก็ไม่ปิดประตูผู้หญิงคนนี้นั่งตรงประตูนั่งเล่นโทรศัพท์คุณวังคะเล่นโทรศัพท์อยู่นั่นเด่ก็เลยตัดสินใจส ก, กิดน้องคะขอโทษนะคะ ช่วยหยุดใช้โทรศัพท์ ส, สักครู่ได้ไหมคะเขากําลังเติมแกส๊สมันอันตรายคุณวางเชื่อมไหมคะว่าเขาไม่หยุดเล่นเขาก็หมุนไปหมุนมาเอามือวาดๆหน้าจอของเขาใส่หูฟังตามสบายของเขาเขานั่งตรงทางลงเบาะเดียเด่ยวเนื่องในใจเอ๊ะฉันจะเสียงนั่งอยู่ในรถนี้ต่อดีหรือที่ฉันจะลงจากรถไปเลยดีพอดีคนขับรถเดินกลับมาคะ่ะก็ ตัดใจดใจนะคะว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นความประมาทของดิฉันเองนะคะว่าถ้าดิฉันลงไปเนดิฉันปลอดภัยแน่นอนถ้ามีอะไรตุ้มตามเกิดขึ้ น, นดิฉันก็จะรอดจากตรงนี้ก็ไม่มีอะไรรถก็ออกเดินทางต่อไปจนถึงสมุทรสงครามย้อนหน้านั้นไปอีกนิดนึงดิฉันเจอเรื่องเสียวไส้กว่านี้กำลังเติมแก๊สอย่างนี้ล่ะคะ่ะแล้ว นักงานคนหนึ่งเดินคุยโทรศัพท์แล้วมาชะงอกดูที่หัวใจแก๊สนะคะ่ะดูมิเตอร์คุณวันคิดว่าดิฉันทําไงคะเนี่ยกลัวมากเลยนะคะกลัวจนถึงว่าหไปสกิดคนที่เกี่ยวข้องตรงนั้นเลยนะคะบอกว่าช่วยไปให้คนนั้นหยุดใช้โทรศัพท์เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมันบึ้มมันหมดไม่เหลือทั้งปั๊มเลยนะคะคือเราเคยได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเรื่องแก๊สระเบิดแต่ทำํำไมคนเหล่านี้ไม่กลัว และดิฉันก็ถามตัวเองเหมือนกันทําไมทางทางผู้ที่เกี่ยวข้องขอไม่ระบุนะคะว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําไมผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เคร่งคลัดกับเรื่องนี้จะรอให้เกิดอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินก่อนจึงจะมาตื่นกันอีกแบบจุดไม่ขิดฟู่แล้วหายไปเลยหรือไงดิฉันเคยจําได้ว่ามีข่าวอยู่แถวสมุทรสาครเมื่อนานมาแล้วละ่ะว่า มีพนัก ง, งานคนหนึ่งขึ้นไปทํางานบนเสาไฟแล้วบังเอิญให้มีโทรศัพท์เรียกเข้ามาที่สายไฟนั้นพอดีเขารับโทรศัพท์เท่านั้นเองระเบิดตุ้มอันตรายไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของใช้โทรศัพท์กับการเติมแกส๊สเติมน้ํามันเนี่ยว a r ขอผู้ที่เกี่ยวข้องเคร่งคลัดกันอีกสักนิดได้ไหมคะ มันเสียงภัยมากพอๆกับระเบิดนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าอุ้ยแค่นั้นมันเห็นนั่นคุณรู้ไหมเวลาคุณทำกับข้าวไปแล้วคุณเอ่อคุยโทรศัพท์มือถือไปประกายของคุณการใช้โทรศัพท์ของคุณกับประกายไฟที่หัวจาจแก๊สที่เตาไฟอะ่ะมันก็แรงพอๆกันเออฟังแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันคุณว่าชมคะนี่คือเรื่องราวที่มันใกล้ตัวแล้วเราลืมคิดหรือเปล่า ชีวิตวัฒนธรรมของพวกเราสบายๆเกินไปหรือเปล่าหรือเราเกรงใจผู้อื่นมากเกินไปหรือเปล่าจนเราไม่กล้าที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของเราหรือเปล่ามีอะไรที่เป็นคําถามเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เนี่ยค่ะเดือนเพิ่งเจอเรื่องเติมแก๊สโดยที่ไม่ได้ให้ผู้เรียสารลงแล้วก็มีผู้ใช้โทรศัพท์ข้างๆหัวจ่ายแก๊สเนี่ย อีกแล้วค่ะท่านท่านในที่นี้ไม่ได้ประชดนะคะท่านหมายถึงทุกๆ ท, ท่านที่เกี่ยวข้องเราช่วยกันดีไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าของใครก็ตามละค่ะเมื่อมันเสียหายแล้วมันก็อันตรายไม่แพ้กันนะคะแล้วบางทีเนี่ย พอมีอะไรเกิดขึ้นก็รุกขึ้นมาโอ้นั่นนี่นู่นกันใหญ่เลยแต่เนี้ยดิฉันก็เพิ่งจะเจอเหตุการณ์เมื่อวันเพ่งหัดตอนกลางวันกลางวันนี่ยนะคะก็จะโทรไปบอกใครดีหนะ้าก็เลยขออนุญาตว่าใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงนี่แหละเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกระบอกเสียงเนาะเป็นเรื่องที่ฝากสะท้อนไปด้วยว่าเจ้าของปั๊ม ผู้ขับขี่ยวดยากทั้งหลายหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณเกี่ยวข้องกับกา๊าซกับการใช้โทรศัพท์แบบนี้หยุดใช้สักครู่แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้คุณเดินออกไปไกลๆและสมีได้ไหมอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่อยากฝากไว้นะคะเพราะเดียนเชื่อว่าเแฟนๆรนการที่ฟังอยู่ก็คงจะเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วน้ำท่วมปากไม่กล้าพูดกลัวเขาโกรธหรือว่ากลัวเขาจะไม่พอใจแต่ชีวิตและทรัพย์สิน รอให้เกิดเหตุมันอาจจะสายเกินแก้นะคะหรือแก้ไม่ทันก็ได้เพราะฉะนั้นจิตสำนึกพื้นฐานตรงนี้มันเป็นการดูแลทั้งชีวิตทรัพย์สินของตนเองและสังคมเราช่วยกันนะคะช่วยเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องที่อันตรายแล้วก็ถึงชีวิตหรือพิการหรือเกิดความเสียหายจนไม่รู้จก แก้ไขกันยังไงนะคะเรื่องราวของชีวิตวัฒนธรรมคือความดีงามความเกริญที่เรานำมาบอกต่อกันส่งมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมาถึงรุ่นเราและเราก็จะส่งต่อไปถึงรุ่นคนต่อไป แต่ใน่ๆเช้ามืดของวันเสาร์ที่สี่ถึงที่ห้าดิฉันจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในรายการชีวิตวัฒนธรรมเหมือนเช่นเคยนะคะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วคงต้องลากันไปก่อนดิฉันพนธธรรมเนียมอินผู้ ด, ดําเนินรายการคุณบิกก๊กทั่วคูบคมเสียงรายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดย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 นอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอเ น, นื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเท พ, พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอเชิญทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่10ทรัพยากรไทยชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ปี2องพระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมสองพณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศู